เนื้อผิดเนื้อถูกยังมีอยให้มันตื้นชีวิตเราให้มันลึกอย่าให้เลยถูกง่ายมันลึกซึ่งถ้าเราเบาบางผิวเผินตื้นตื้นอะไรก็สัมผัสได้เราะบางตช่นต้นไม้ในดงเปลือกบางๆางต้นไม้ในป่าโคกเปลือกด้านหนาเจ็ดจับจับ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 ก็รู้นี่ก็ไปดู้นั่นไปมันมีหมู่มีหมวดหมวดบาปอาุศลหมวดกุศลหมวดบุญหมวดศีลหมวดสมาธิหมวดปัญญาเป็นเทดเป็นแดนไปข้ามอันนั่นผ่านตัวนี้ไปมันไม่ใช่ทมไม่มีอะไรพบเห็นมีสติมันก็มีสติ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 ยังมีความโกรกก็ยังมีงานอยู่อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้มันเฉิดไปซะผ่านไป้าจนถึงก็มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเกิดทุกข์เกิดโทษก็รู้แล้วทำแล้วเห็นแล้วแล้วก็มีอยู่อย่างนี้แล้วจึงมาศึกษาศึกษาคือถลุงคือย่อยคือแยกออกอาหายความทุกข์เป็นความทุกข์หายความโกรกเป็นความโกร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 ลาหนุนก็ดีลายที่สุดบางทีพระเจ้าก็บอกสวัสดปเพื่อนเราหนนมาจินข้าวฉันข้าวมาหาหน่อยก็ไปเป็นเพื่อนกันอันนี้เป็นกรนยา น, นมิตรกันช่วยกันได้พวกเราก็อยู่ดีก็ค่ายๆกันเป็นเพื่อนกันรู้เหล่าเขาเดียวกันก็มีเก๋ๆเท่าเท่าก็มีสหายธรรมกันยานมิตร มิีรเพื่อนดีสหายดีเป็นส่วนประกอบเข้าไปแต่อยู่นี่เราก็ไม่ใช่อยู่อยู่คนเดียวมีมิตรมีสหายมีเพื่อนต้นใจแม้ไม่มีใครอยู่ก็เราก็อยู่มีเพื่อนอยู่ไม่เปลี่ยวเดียวดายนี่มีงานอย่างนี้งานของเราไม่อยู่ตลอดเวลา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 ถ้ามีการเจ็บเป็นเจ็บไม่มีชีวิตแล้วถ้ามีการแก่าการตายไม่มีชีวิตแล้วชีวิตหมดไปแล้วไม่มีค่าแล้วชีวิตของเราจริงๆเนี่ยคือไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยต้องขดนาดมันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกเริ่มไปจากที่นี่มันมีะายเริ่มต้นตรงนี้ไปเรื่อยๆไปมันจึงจะไปชำนาญในการ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 เหมือนเราอยู่ที่นี่แนานะภายนอกของคู่ของคนมาช่วยเราสร้างศาลาให้สร้างกระเสรไฟฟ้าให้สร้างน้ำสร้างอาหารให้เครื่องนงหม่มผู้มีฐานะผู้ไม่มีฐ า, านะก็ช่วยกับอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็มีส่วนปองจรเป็นส่วนประกบจนภายในของเราต้องมีฐานะเรื่องนี้การอย่าจนไม่ควรจนเด็ดขาด ฐานะเรื่องชีวิตเนี่ยสุขเป็นสุขไม่มีชีวิตแล้วทุกข์เป็นทุกข์ไม่มีชีวิตแล้วเราไ้ชีวิตพเพื่อเพื่อไม่มีชีวิตชีวิตเรามาเกิดเพื่อเกิด เ, เจ็เพื่อเ จ, อเจอ็เจ็บเพื่อเจอ็บตายเพื่อตายไม่ใช่ชีวิตเราตามความเป็นจริงชีวิตจริงๆต้องพ้นจากเรื่อง น, นี้ไปที่เราเราจะได้ชีวิตอยู่ก็ทุกวันทุกนาที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 ถ้าปฏิบัติดีมีศีลพระท่านมีศีลกว่าเราไม่ใช่อันเดียวกันเราก็เคารพตามสมมติปัญญาจะรปโทษทิ้งสมมติพระก็นั่งอยู่ที่นี่ไม่ชีก็นั่งอยู่ที่โ น, น้นอา่าโยมก็นั่งอยู่ที่โ น, น้นแล้วก็ต้องมีระเบียบแบบนี้เพื่อฝึกตนสอนตนหลอ่อหลอมเป็นเบ้าเป็นแบบเพื่อเข้าแบบเข้าพิมพไปตามฐานะ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 ยีดเรามันต้องเหนือเกิเหนือเจ็บเหนือตายเห็นมันเจ๋อเห็นมันเจ็บเห็นมันตายไม่ใช่เป็นผู้เจ๋อไม่ใช่เป็นผู้เจ็บไม่ใช่เป็นผู้ตายไม่เป็นอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามสมมติตามบัญญัติตามอาการตามสามัญลักษณะที่มันไหลไปของเขาเราก็เห็นแล้ว